ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ร0 1 7 5อเมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่1368กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเสนอรายการทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ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 ในส่วนนี้เนี่ยนะครับในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระพ ร, ะราช อ, องค์การสถาปนานะครับสมเด็จพระมหาหมุนีวงนะครับอำพรนะอำพโรวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับซึ่งก็ตรงนี้นี่ก็มีการ นะประกาศกันออกมาแล้วก็จะคงจะมะีพิธีกรรมนะครับในการที่จ ะ, ะมีการจัดพิธีนะที่วัดราชบพิธนะครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เนี่ยนะครับท่านเคยเป็นแม่กองงานพระธรรมทูตนะครับในสายสายธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็เป็นรองประธาน กรรมการที่ปรึกษาสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศสายธรรมยุทธ์นะครับแล้วก็งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ก็เป็นรองประธานกองทุนวัดช่วยวัดของมหาเทระสมาคมนะครับแล้วก็งานปกครองคณะสงฆ์ก็เป็นเจ้าวาดวัดราชบพิตรนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคภาค14ภาค15สายธรรมยุทธนะครับแล้วก็เป็น กรรมการมหาเทราสมาคมนะครับแล้วก็ยังมาเป็นนายกสภามหาวิาลมหามากุฎราชวิทยาลัยนะครับนะเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิมหามากุฎราช ว, วิทยาลัยในพระบรมราชูปรมนะครับเป็นแม่กองงานพระธรรมทูตนะแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับซึ่ง แล้วก็ท่านก็ยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นอาจาร์โลที่วัดป่าอุดมสมพรที่จังหวัดสกนอคร น, นะครับเป็นซึ่งก็เป็นสายธรรมยุทธนะครับแลก็เราได้สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นะครับแล้ก็เป็นความความเคลื่อนไหวนะครับในในในส่วนของภาครัฐบาลนะครับในส่วนของความความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการ จัดตั้งคอยปอซึ่งพยายามที่จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการปลองดองเนี่ยนะครับมีการพยายามที่จะไปทบธทรมหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเป็นผู้ทรงคนวุฒิเป็นคณะกรรมการนะครับใ น, ในเรื่องของความปลองดองนะซึ่งก็มีการตั้งนักสุวิทย์เมสินศรีเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเลขานุกการ นะครับแล้วก็มีการตั้งในส่วนของรองนายกงตรีนะครับในหลายๆส่วนเนี่ยเข้ามานะครับในการที่จะามาะดูแลงานเรื่องการปองดองให้คืบหน้าแหะครับนะเราก็จะติดตามดูนะครับในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ทําเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกงตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการสร้างความสามัคคีปองดองนะบอกว่าจะมีการหาเลือกัน1ิหัวข้อล้ครับจะมีการประชุมกันในวันที่บอกว่าคณะกรรมการอำนวยการนี่จะประชุมกันครั้งแรกวันที่9ก้าุมภาแล้วก็มีการตั้งประเด็นไว้ว่าจะมีการจัดพูดคุยอะไรกันบ้างนะครับซึ่งมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา4คณะนะครับซึ่งประกอบด้วยคณะอนุการรับฟังความเห็น คณะอนุกรรมการบูรณาการนะครับคณะอนุกรรมการข้อตกลงคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์นะครับก็ก็จะมีการกําหนดงานลงไปนะครับในส่วนของทางกองทัพทางทุกทางจังหวัดให้ไปรับฟังความคิดเห็นนะซึ่งก็จะนําผลการศึกษาแนวทางปองดองของ น, ข น, นายคณิตนนครและก็ของนายแพทย์ประเวศวสีนะครับมาบูรณาการด้วย นะครับเป็นแนวทางนะครับที่ที่รองนายกได้เปิดเผยนะครับส่วนนายด็อกเตอร์สุวิทย์เมษินสีซึ่งเป็นเลขานุกการปยอปอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในการตั้งผู้สรงคุนนวุฒิในคณะกรรมการปยอปอตอนนี้ก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 30-40 ถึ ง, งคนมาอยู่ในคณะกรรมการทั้ง4ชุดนะครับก็จะเน้น ที่คณะกรรมการเตรียมยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มีคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศซึ่งจะมีมากนะครับเพราะาทำงานในหลายด้านซึ่งก็มีการตอบรับมาแล้ว 80% นะครับก็อยู่ระหว่างทาาทางตัวบุคคลนะบางคนก็ยังอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างเช่นดรสุปชัยพานิชภักด์ซึ่งเป็น อ, อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกนะครับนะซึ่งตรง น, นี้ก็จะเชิญ ดรสุปชัยมานะก็ยังอยู่ต่างประเทศก็ทาบทายกันอยู่แล้วก็จะมีอดีตเลขขาดที่การอ่ายอย่างเช่นพลเอกเอกชัยศรีวิลาศนะครับสํานักสันติวิธีนะครับผู้มนวยการสํานักสันติวิธีและธรรมพิบาลของสถาบันพระ ป, ะปกเกล้านี่นี่ก็จะพยายามที่จะเชิญเข้ามาอยู่ในในคณะกรรมาการนะชุดนี้นะครับนะแล้วก็จะมีการนําเสน อ, อให้ นายโยกเงินปีเนี่ยพิจารณาส่วนาการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็จะได้มีการาเช็คให้ในส่วนของแต่และกระทรวงเนี่ยไปเตรียมการมาดรสุวิทย์ว่าอย่างนั้นนะครับนะเพื่อที่จะได้มารวบรวมนะครับในการที่จะมามาม า, มาทำเป็นยุทธศาสาตร์ของของชาตินะครับนะซึ่งก็กำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะครับว่าว่าจะทำอย่างไรนะครับเรา มาล่ะฟังเพลงกันสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ ฉัน ข้าวเหลืองเต็มนาตัวข้รแรงจะเี่ยวเหลือก็เพียข้าวรอแงตายตัวข้าเอวายจะตายแน่เที่ยหมด มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปนะครับการปองดองเนี่ยนะครับในส่วนของดออรสุวิทย์เนี่ยก็เปิดเผยซึ่งเป็นเลขาของปยปนะครับนะคือเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการปองดองเนี่ยนะครับในส่วนของงานปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับก็บอกไว้นะครับว่ า, าในส่วนของตนนี้ได้หารือกับรองนายกงมุตรี นะครับนะคือรองนายกพลเอกธนศักดิ์และก็พลเอกณรงนะครับเกี่ยวกับเรื่อง เ, อเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปปร ะ, ประเทศนะครับนะก็จะมีการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของวันปฏิรูปประเทศโดยในส่วนของทีมประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะให้ดูแลยุทธศาสตร์ของ6ภาคนะครับดนะังเื้อที่กระทรวงมหาดไทย โดยมีประลัดนะท่านประลัดลองประลัดกระทรวงมาไทยให้ป า, าดูแลเกี่ยวกับเรื่องของวงวงเล็กเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศมีการจัดกันในระดับภูมิภาคคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีหกภาคมีภาคตะวันออกแล้วก็จะมีภาคกลางนะครับมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีในส่วนของ3จังหวัดชายแดนาภาคใต้ด้วยนะครับนะซึ่ง ก็จะมีการแบ่งโซนกันในการที่จะไปไปดูแลแล้วก็ในส่วนของดรสุวิทย์ยังบอกว่าตอนนี้ผู้ทรงคนลวุฒิในปยปเนี่ยนะครับแต่ซึ่งอาจจะไปอยู่ในกรรมการทั้ง4ชุดนะครับแล้วก็จะมีการเชิญผู้ทรงมนุษย์นะครับเกือบ40คนนะครับอย่างเช่นดรบวรศักดิ์อุวันโนซึ่งเป็นอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐนูญ น, นะครับแล้วก็เป็นอดีต เลขาที่การสถาบันพระปกเกล้านะครับก็มีนายบรรทุนล่ำซำนะครับซอของธนาคารกรสิกรไทยมีผลเอกเอ ก, กชัยศรีวิราชผู้อนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมพิบาลสถาบันพระปกเกล้านะครับในส่วนของนายแพทย์พระเวศวสีในคณิตนาทนครนี่ก็กำลังส่งตัวแทนไปติดต่อเพื่อที่จะ ใหมาเป็นผู้ทรงคนวัดในคณะกรรมการนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะต้องเดินหน้าแหละครับนะก็ติดตามการให้ข่าวของดรสุวิทย์แหละครับเพราะเป็นเลขาของปยวป ม, มีความสําคัญนะครับเพราะเตรียมทั้งยุทธศาสตร์ของชาติด้วยนะครับแล้วก็จะเตรียมนะเกี่ยวกับเรื่องของเวทีปลองดองกันไปด้วยนะครับนะก็เป็นงานหนักนะครับเพราะแบ่งกรรมการออกมาเป็นเป็นประมาณสี่คณะนะครับซึ่งก็จะมีการ เดินหน้ากันกันต่อไปในส่วนอีกส่วนหนึ่งที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินคงคลังนะครับนะ่ะเหลือน้อยเหลือมากนี่ในส่วนของนายกรอบศักด์ภูตะกูลซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีนะครับนะ่ะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมคลรมก็มีการพูดถึงกรณีคำถ า, ถามถึงเงินคงคลังที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะ ก, ก็จะมอบหมาย ให้ในส่วนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงตงัวผมก็ใจกับประชาชนเนะี่ยก็บอกว่ารัฐบาลบอกไม่ต้องห่วงนะครับก็ยังมีเงินคงคลังเหลืออยู่แต่ก็จะอธิบายว่าเงินคงคลังก็คือเงินสดนะครับที่ที่รัฐบาลเก็บไว้ใช้จ่ายในการดําเนิน ง, งานของรัฐบาลก็เหมือนกับนะเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในมือนะครับซึ่งเมื่อเงินขาดมือก็จะสามารถกู้ได้ภายใน2วันภายใต้กรอบการกู้เงินของรัฐบาลนั่นก็เป็นการ เปิดเผยของนายกอบศักด์ผู้ตระกูลนะครับซึ่งโดยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับในเงินคงคลังเนี่ยนะครับก็เงินคงคลังจะสูงสุดนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับเพื่อจะเตรียมการใช้จ่ายระหว่างปีจากนั้นก็จะลดลงซึ่งเป็นไปตามวัตถจักรเงินภาษีที่เก็บได้และก็การเบิกจ่ายของของรัฐบาลนะครับก็เป็น คำชี้แจงของนายกอบศักด์นะครับซึ่งเงินภาษีเนี่ยก็จะเข้าสู่เงินคงคลังก็มีอยู่สามช่วงมีช่วงเดือนมีนาถึงเมษาก็เป็นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลธรรมดานะครับเดือนพฤษภาถึงมิถุนาก็จะเป็นเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลส่วนเดือนสิงหาก็จะมีการมีภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทที่ เลือกจ่ายทุกหกเดือนก็จะมีเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกว่าประชาวบ้านประชาชนอาจจะไม่ต้องตกใจเป็นวิธีการบริหารเงินตามปกตินะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะชี้แจงนะครับเนะีเพราะว่าตอนนี้ก็มีประชาชนอาจจะสับสนระหว่างเงินคงคางกับเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับก็เป็นเป็นคนละส่วนนะครับซึ่งเงินสำรองระหว่างประเทศนี่เอามาใช้ไม่ได้แล้วครับนะปก ก็ต้องเอาเก็บไว้เพื่อที่เป็นการสร้างเสถียรภาพนะครับให้กับการเงินของของประเทศซึ่งปัจจุบันนี้ไทยเราก็มีอยู่ประมาณสอง0 0 0แสนหรือเหรียญสารัฐหรือประมาณหกล้านล้านบาทนะครับ ก, ก, ก็ก็เก็บฝากไว้นะครับที่ธนาคารกลางนะครับส่วนในส่วนของ เ, อเงินคง เ, เงินคงค้างนีก็มาเอามาใช้จ่าย นครับมาใช้จ่ายนะครั บ, มรบหมุนเวียนกันไปในการที่จะามาพัฒนาประเทศเพราะรัฐนี้จะต้องมีมีค่าใช้ใจ่ายล่ะครับนะพออย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของมีโครงการประชารัฐบ้างนะครับมีกครงการพัฒน า, าที่เร่งนะครับฉีดงบประมาณมายังจังหวัดต่างๆในการที่จะเร่งฟื้ น, ฟ, นฟูเศรษฐกิจใ น, ใ น, ใ, นในฐานรากนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจในระดับล่างในฐานลากเนี่ยฟื้นตัวเนี่ยก็จะทําให้ เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ฟื้นตัวขึ้นขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็คงกําลังเล่งกันอยู่นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรนี่แหละครับนะีราคาข้าวราคายางราคามันราคาอ้อยนะครับเนะี่ยทำอย่างไรที่จะให้มีการกระเตื้องสูงขึ้นนะก็จะทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมนี้ดีขึ้นนะครับนะเพราะชาวบ้านเนี่ตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่เป็นหนี้เป็นศินกันมากนะเราจะแก้กัน กันอย่างไรนะครับก็ต like ้องมาเน้นตรงทางภาคเกษตรนะครับแล้วก็ม <strate> ีภาคท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเพราะว่าภาคท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นรายได้ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเรามาจับใจใช้สอยทําอย่างไรที่จะสร้างบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเที่ยวในประเทศของเราให้มากขึ้นนะครับมีกิจกรรมต่างๆที่จะดึงเข้ามาทั้งกีฬานะครับทั้งมาราธอนบ้างนะครับหรืออาจจะเป็น ทางเชิงวัฒนธรรมบ้างนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายนะครับนะก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะฟื้นทางด้านเศรษฐกิจนะครับให้ให้กลับคืนมาให้ได้นะครับนะก็เอใจช่วยทุกฝ่ายสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วชีวิตจะสั้นเพราะควนบุหรีนะครับเรามาลดละเลิกสูบบุรี่สําหรับวันนี้ผมนิรันดคุณทานนันต้องขอลาท่านพรมไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ